ซุลเลาะห์อัลลอฮ์มัลลัม დ ฺลิลลาหฺรับบินอัลเมินอัลลอฮฺมุสซาลิยัลลอฮฺมุ hammad อะลัยฮฺะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮฺวะบารัดกาตุวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งมีนานะลูชายก็ใส่มาที่แปเกิดดีใจว่าอายุน้อยกว่าเรายังลืม <laughs> เรามีพวกแหละอ่าเอ่อ วันนี้อยู่ในสุรอิสระไม่ใช่อนนาลู่นะอิสระอนนาลู่แปลว่าพึ่งอิสระเนี่ยรอิสรอสุบฮานัหลีอสรอับดุฮิไลล ม, น ม, ลมนินอิสรอมัิักษอไม่ใช่อนนาลู่นะอิสระในหัวข้อที่บอกว่าอิสราเอลกลุ่มชนที่เคยถูกเลือก คือพวกบรรดอิสราเลน่ะเป็นกลุ่มชนที่เคยถูกเลือกที่อันกุรานบอกว่ายาบรนีาิสรเอลละกรูเนื้อมาดิยละที่อันอัมตุอัลัยคุมว่อันนี้ฟัดัทุกุมลันอาเลมีนเาบอกในักรานว่าโอ้บรรดอิสรอเอลเอ้ยอุสกูรูท่านหลายจงรำลึกถึงจงนึกถึง นี่ยมาติยันระดีอันอามตัวอะไรกลุ่มความดีของฉันที่ได้เคยให้เนี่ยมาแก่พวกท่านมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ว่าอันนี้ฟัดดอนตุวกลุ่มอัลันอาลามีนและพระองค์อัลลอฮ์ได้ให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดในโลกบนโลกนี้แต่ว่าในกลุ่มของบาเนอิโซอีน ก็มาทรยศต่อรอสมัตลาเขาจึงตั้งชื่อว่าอิส ร, ราเอลกลุ่มชนที่เคยถูกเลือกแต่เนื่อจากว่ากลุ่มชนเหล่านี้ต่อมาก็ทำความชั่วโดวยการฆ่าอะไรครับฆ่านาบีฆ่าครั้งแรกคือฆ่านาบีสักกรียาฆ่าครั้งที่สองคือฆ่านาบียะยยานี่ไนงะ ในความไม่ดีเกิดขึ้นจากการฆ่ า, าอบดเบีย อ, อ, อย่าไปนึกถึงอิสาราเอลทุกวันนี้นะไอ้นี่ไม่เกี่ยวกันแต่อิสาราเอลทุกวันนี้พวกเบ น, นิอิสาราเอลทุกวันนี้ก็ทํำร้ายพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์แล้วก็แน่นอนเนี่ยอัลลอฮ์มีอํานาจเหนือกว่าพวกเขาเหล่านั้น และคนเหล่านั้นจะต้องถูกลงโทษเหมือนกับสมัยก่อนไมใช่แม้ก่อนนี่พวกนี้อิสราเอลถูกลงโทษเข้าใจแล้วตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์ฆ่าพวกอิสราเอลจํานวนล้านคนตอนนี้มันสังหารปาเลสไตน์อิชาอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะให้พวกเขามีอํานาจที่เหนือกว่ามากกว่าล้างเขามันก็จะเป็นตาม ตามกฎที่อัลลอฮ์บอกว่าวัลมายาดีดูซอลิมินอิลลาคอซารอใครช่อบฉนต่อคนอื่นใครสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นใครกบดขี่ข่มเหงกดขี่คมเหงคนอื่นเป็นคนร้ายมวลมายาดีดุซอริมินอัลลอฮ์จะไม่เพิ่มให้คนที่ซ้ายเหล่านอิลลาคอซารอแว้เว้นแต่ความขาดทุนความพินาศความล่มสลายนี่คือสิ่งที่อันกุรอานพูดไว้ นั้นแหละมันทำเพะอคุณอ่าบเปล่าว่าไงนะซุมมารดดานาละคุมุลการรอดอาไลมว่อัมดาดานาคุมบินอัมวะลิวะบันนนว่จะอันนาคุมอักซอร์นฟิรอและเราคืออัลลอ์ได้ให้พวกเจ้ากลับมามีอำนาจเหนือพวกเขา และเราคืออัลลอ์ดังให้พวกเจ้ามีสินทรัพย์ทรัพย์สินและบุตรบุตรหลานและเราได้ทำให้พวกนี้มีรีผลมากมายอิสราอินก่อนเนี่ยนะก็มีทรัพย์มากเออเป็นเมืองใหม่ในสมัยนาบีดาวูดแล้วก็นาบีสุไลมานอันนี้ประวัติศาสตร์ย้อนหลัง เพราะว่าในกลุ่มชนเหล่านั้นมีนบีเยอะอ่ามีนบีเยอะแต่วันนี้เมื่ อ, อยูยุดยุดครองนะไป ส, ะส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันก็เหลือพี่น้องปาเลสไตน์ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลล็อกก็อยู่กันไปสู้กันไปอิชาเหรอะวิกฤต จ, จะเป็นแบบไหนอย่างไรสัญญาของอัลล็อว่าใครทำั่วก็จะได้รับการลงโทษ ปาเลสไตนะ์ถูกฆ่าก็ตายบแบบลล์ล้อทรงึงพองใจเพราะถูกซาลิมถูกยึดดินแดนถูกอะไรต่อะไรแต่ยิวนี่จะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นกอตกอมันจะปกป้องไม่ให้ใครรู้ว่ายิวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนนะไก่กาญย า, ยายมาแต่ก้อนหินจะบอกว่ายิวซ่อนตัวอยู่ตรงนี้วันนั้นหินพูดได แต่อาจจะไม่พูดภาษาแบบเรานะเพราะฉเฮ้ยอยู่ตรงนี้โว้ยเขาไม่ใช่แบบนั้นนะนี่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺบอกกับเราแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าอเมริกาเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีหรอกต้องการที่จะให้ป่าทั้งหมดอยู่ในการดูแลของเขานะ้วเขาก็จะจัดการปลูกต้นไม้ต้นไม่อะไรที่เราได้ข่าวมานานแล้ว <c oughs> เข้าใจว่าคงจะปลูกต้นก๊อตก๊อตแหะ จะได้ปกป้องชาวยิวเคยเห็นไหมเคยเห็นมีคนส่งพิไม้ดูดอกไม้มันน่าเกลียดมันเหมือนกับหัวกะโหลกอะ่ะเคยเห็นนะ ม, มันเหมือนกับหัวกะโหลกศกเยอะแยะเลยต้นกอดกอนะแต่ไปมาการ์เขพยายามจะดูว่ามันต้นไหนก็ไม่มีใครบอกได้มันยังไม่มีดอก อ, ะอ่ะก็มีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกั้มันจะปกปิดชาวยิวว่าอยู่ตรงไหนซ่อนตัวตรงไหนแต่ก้อนหินจะบอก ว่ายิวซ่อนตัวอยู่ตรงไหน <c oughs> และเราเคือลอได้ให้ผู้เจ้ากลับมีอำนาจเหนือพวกเขาเพราะอิสราเอลในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชนที่เคยถูกเลือกแต่เนื่องจากว่าเขาทรยศต่อลอสวัตลาเขาก็ได้รับการลงโทษ อ, อายะนี้อยู่ในสรุรออัลอิสรอุรออิสรอ สูรร้อยอิสระนี่ขับไปดูนะะื้อหานิดนึงก็คือเป็นอายะที่เป็นมักกียอายะที่ลงที่มักกะอายะคุรุลัยนบางครั้งก็ลงที่มักกะบางครั้งก็ลงที่มาดีนะทามักกะคือเด็กมักกียทามาดีนั่งก็มาดานียะนะมุสลิมจะลงแบบนี้ตอนี้ไอสุรร้ออิสระเนี่ยเนี่ยเป็นอายะอายะที่อาะที่หกขอ ง, งอิสระเนี่ย ในสุรอิสลอ่นี้จะพูดถึงอะไรว่านาบอิสรั่สุบฮานละดีอสรอมยอับดีไลลัมมินันมสัสฮารอมีลันมัสยิรินอัคซอความมือสุดที่อ ล, ลอนรให้นบอิสรัเดินทางในเวลากลางคืนจากมัสซีเดฮารอมถึงมัสซอักซอเนี่ย พอกลางคืนก็เดินทางไปถึงนองกับอัคษอสว่างแต่ถ้าใช้เวลาเดินทางโดยใช้กองคารวานไปปกติจะเดินถึงสี่สิบวันแต่ในบีอัลลัยในบีอิส ร, รอเดินทางไปทั้งไม่ได้ควอยเบื่อความฝันนะทางร่างกายแล้วก็วิญญาณไปถึงนู่นตอนสุโบไปถึงน่งตอนกังคืนแหละ แล้วก็ขึ้นขึ้นเมื่อรอนขึ้นไปบนฝากฟ้างานข อ, อรอดแหละจินตนาการไม่ได้แล้วลงมาในตอนสุโบแล้วตรงนั้นแหละจะได้รับคําสั่งจะเอาล้ออะไรต่ออะไรละมองละหมาดอะไรเนี่ยนะก็ขึ้นสู่ฝากฟ้าซึ่งสิ่งเหล่าเนี้น บ, บีได้รู้ได้เห็นแต่ว่าไม่สามารถจะอธิบายได้บอกเรื่องราวได้แต่จะอธิบายไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีข้อเปรียบเทียบอื่นใดที่จะ ให้เราเทียบเคียงได้เรื่องวิญญาณนี้ไม่มีแต่จะบอกว่ายิญญาณลักษณะแบบไหนอย่างไรอ่ะมันไม่มีข้อเปรียบเทียบที่จะอธิบายอุลมะบอกว่าวิญญาณคืออะไรยิสมุลลีฟุนยันซาบยันซาบ อ, อคือเป็นเป็นเป็นอะไรยิสมุนคือยีเซมเป็นตัวตัวเล็กๆนะละเ อ, อียดอ่อน ที่มาเลยอยู่ในตัวของเราเราไม่รู้อยู่ตรงไหนวิญญาณอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่กับมันมากนะมิยุทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยวิญญาณที่เอให้มีชีวิตอยู่ด้วยวิญญาณที่อัลลอ์ให้มาเวลาอัลลอ์ถอดวิญญาณไปแล้วเราก็ตายาอิจัอุหมลายสตักฮิรูนซาอตาวลายสตักิมูนเวลาตายเนะี่ยอมาแล้วแหละยสตักฮิรูนซาอตันจะปะวิงวัจะเพ่งเลยนิดหนึ่งได้ไั้ม ไม่ได้ตายก่อนนิดนึงได้ไหมไม่ได้เจ้านี่กาลังมาขอตายก่อนไม่ได้ตายที่หลังนิดนึ่งขายนาได้พันล้านไม่ได้ยันมาถึงลายสตักครูนัสอาตะวลายสต์เดมูลป้วิงเวลาไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้เราก็ดูแลตัวเองเราผิดกับอลัลลอ์ก็เตาบ้าตนต่ออัลลอ์เราผิดกับมนุษย์ก็ต้องไปขอรีดอขอมาอัฟขออภัยเขา งั้นอย่าล่วงเกินอำนาจของเราโดยการฝ่าฝืนคำสั่งอย่าล่วงเกินสิทธิของคนอื่นที่เราพูดเรื่องของเขาไปแล้วเขาไม่พอใจถือว่าเป็นการนินทาหรือไม่ก็เป็นการใส่ร้ายงั้นพูดถึงเรื่องคนอื่นในทางที่ดีอาธรรมดีละของไม่ดีคนมีกันทั้งนั้นแหละมนุษย์มันมีบาปก็อย่าไปพูดเพราะอะไรเป็นการละเมิดพระคุณอาดัมสิทธิ เกียรติยศของมนุษย์ด้วยกันอย่าพูดเก็บไปเป็นข้อมูลเอาเนื้อหาคุยได้อย่าจะบอกชื่อตัวตนถ้าจริงก็ดีไปถ้าไม่จริงก็เป็นการกุ่เรื่องเท็จบาปบาปมันจะทําไงละ่ะเรามีความดีต้องเอาดีมาให้เขาเราไม่มีความดีจะให้เขาเราก็ต้องเอาความชั่วเขามาไว้ที่ตัวเราเหนื่อยอเหนื่อย อ่าตอนนี้มาดูว่านาบีเดินทางนะไม่ใช่หมายความว่าฝันนะทางร่างกายแล้วก็วิญญาณไปด้วยกันอาร้อนเขาให้นบีขึ้นสู่เบื้องบนคือมีอารอนอารอย่าขึ้นไปสู่มีอารอนอารอย่าขึ้นไปวิธีไหนเราไม่รู้นี่คือสิ่งที่เป็นของเก็บนะ แต่สิ่งที่เป็นความลึกลับที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยจะถูกอธิบายมาให้เราได้เห็นความจริงทุกยุคทุกสมัยก่อนๆเราไม่รู้เรื่องนี้แต่อัลกุรอานพูดถึงใช่ไหมอัลกุรอานพูดถึงต่อไปแล้วก็จะพบความจริงจากอัลกุรอานพูดถึงด้วยเครื่องมือต่างๆที่พิสูจน์ความจริงของหลอก งันเราหนะ้าที่ตอนนี้อีมานอามานูเชื่ออัลลอฮ์บอกเราเชื่อเสมอนะว่าต่อนะปฏิบัติตามบอกให้มีรู้ซอยละฮะและทำความดีที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราทําความดีที่เป็นฟัดดูมีความดีที่เป็นสุนัตเพื่อการเติมเต็มก็มีเราก็ทําตรงนี้ทําแล้วก็เก็บความดีรู้จักเก็บความดีด้วยอย่าไปนินทาคนอื่นบุญหายเก็บไว้ พวกเราที่มันจะพลาดก็คือว่าทําดีแต่ไม่ค่อยได้กเก็บไปไหนหมดุดพอตายมาแล้วเอ้าเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังงั้นลักษณะของมู้มินก็คื อ, อได้ฟันยากุ่นคอยรอนอเนยัสมุดจงพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ก็นิ่งเสียอย่าพูดอย่าพูดทุกอย่างอย่าพูดทุกอย่าง ที่เขาเล่ามาแต่ถ้าอันกุรอานฮะดีษพูดทุกอย่างที่อัลลอฮฺเละห์ซูลบอกพูดไปเถอะแนะนําตัดเตือนกันแต่เรื่องคนอย่าพูดทุกอย่างเราไม่รู้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองอเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง <c oughs> อนี่คือข้อปฏิบัติทางสังคมที่อัลลอฮฺบอกให้เราปฏิบัติอมามะดูซุมมารอดะจนาละกุมุลกลระตา และเราก็คืออัลลอฮ์ได้ให้พวกเจ้าก็คือพวกไรบนรันิอิสราอินอัลกัราตตมีอำนาจก็มีอำนาจเหนือนวพวกเขาว่าอัมดาดนาคุมเบออัมวาลีวะบนันินและรายได้ให้พวกเจ้ามีศิลมีทรัพย์สินและบุตรหลานว่จะอันนาคุมอักซารนฟีรอและรำทำให้พวกเจ้ามีดีผลมากมายมหาศาลอัลลอฮ์ให้ แต่ว่าโดยการที่พวกบันในอิสราเอลฆ่านบีสกเรียและนบีอีสานเอ็นบีนบีสกเรียกับนบียะฮยาเนี่ยวิกฤตจะเกิดขึ้นกับพวกบันในอิสราเอลคือย่อไม่ได้ที่จะเอาเรื่องถูกต้องมาพูดขาดนะนบีอะไรนบีสกเรียาฆ่าสองนบีนะแล้วฆ่านบียะฮยาเพราะอะไรเพราะ ความเครี่องอากาศของบระเทอิสราเอลมาทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนคําสั่งของลอสซาาลาประนีศอิสราเอลจึงกลายเป็นคนเร่ร่อน น, น, นี่คือประวัติศาสตร์ในช่วงเดิมไม่ใช่ประเทศอิสราเอลทุกวันนี้นะปะเทศอิสราเอลสมัยก่อนกับอิสราเอลสมัยปัจจุบันก็กดขี่คมเหงพี่น้องชาวเปรัสตินยึดเป็นดินมาครอบครองยิงอะไรสารพัดก็ อิชาอัลลอฮ์วันหนึ่งอัลลอ์จะทำลายเขาเหมือนกับวันที่ฮิตเลอร์ทำลายพวกยิวจำหลายล้านคนในสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยวอัลลอ์จาัด ก, การเองวันนี้เราก็ขอดุวินะอัลลอฮุมันโซลินมุสลิมีนฟีกุลเลมการขออัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือมุสลิมในทุกสถานที่ทุกแห่งทั่วโลกนี่คือความห่วงใ ย, ยที่เรามีต่อพี่น้องมุสลิมนะ ทุกส่วนหนึ่งของพี่น้องมุสลิมที่พลาดก็คือว่าปล่อยตัวเองไม่ยึดอิสลามไม่เกาะติดอิสลามไปข้อปฏิบัติประการที่สองก็คือว่าหลงลืมเผลอเรอโดยการปล่อยตัวให้สู่สิ่งที่เป็นมาสยัดทั้งหลายงั้นในหลักการของเราเนี่ยอโลจะบอกหมดอะไรฮาลันอะไรฮารอมบอกหมดจะกินสัตว์อะไรได้ก็ต้องฮาลาน มันจะกินเรื่อยเปื่อยแบบคนจีนมันกินน่ะหมาก็กินหมูก็กินงูก็กินเหียก็กินอะไรกินสารพัดนะเราเนี่มีกินต้องเชื่อด้วยการกล่าวนำของอัลลอฮฺบิสมิลลาฮิรเรามานิรรหีมไก่กินก็เชื่อไก่ตายไม่กินอ่ามีคำถามว่ามุสลิมะเชื่อไก่ได้ไหมได้เชือดไก่ได้ ใจกล้ากับใครนั้นเองนะเชื่อได้นี่นี่คือสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้เห็นไหมมุสลิมก็ถูกยามถูกกระแนะกระแหนว่าแต่งตัวเหมือนไอ้โม่คุมหัวปิดหน้าใส่เสื้อยาวๆไม่โปไม่เปลยไม่ทันสมัยแล้วตอนนี้เป็นไงคุมหน้าคุมตาปิดชั้นโม่กันเหมือนนิยาบเราเลย เหมือนทียางเราเลยวันนี้เรากินอาหารแบบว่าเป็นมาตรฐานฮาลานที่ของกุมุยาศาสตร์ของอะไรดรวินัยด้านลันคนกาเฟมกะกะโจมตีมุสลิมหวังประโยชน์มีพิจารณ์ที่ฮาลานมาควบคุมได้ประโยชน์ อ, อ้าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขารู้เรื่องนี้เขาพิสูจน์ฮาลนมาฮาลันฮาลานฮารอมพวกเราต้องชัด ฮาลานใบยิ้นฮาลอมใบยินฮาลันชัดฮาลอมก็ชัดเราก็เลือกของที่ฮาลันถ้าของที่ฮาลอมกินแล้วอิ่มไม่อิ่มแต่เวลากินไปแล้วเนี่ยเลือดเนื้อเลือดหนังมังสาที่ติมเติมจากของฮาลาของฮาลอมก็จะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกแล้วกินของฮาลันเดี๋ยวนี้สินค้าไทยก็สู่ฮาลันโลกนี่นี่คือสิ่งที่เรามีอะแต่กาแฟตรงตีแล้ว นะงั้นเราไม่ต้องไปท้อใจเวลากาเฟตมุชดิกแกแน่แกแหนเราเนะ่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งเราซุนมาเอาความเที่ยงตรงมาให้นะหรืยูซีรูอารัดดีนคุลิเพื่อเป็นที่ประจักษ์ชัยว่าประจักษ์ชัดวะเป็นหลักการที่เหนือกว่ากลุ่มชนทั้งหลายหัวเรากเรียนกาเฟรูนแม้ว่ากาเฟจะชิงชังหัวเรากเรียนมุชดิกูนแม้จากคนมุสดิกจะชิงชังหัวเราการ์เน่ เวลาแก่นั้นมูนาฟิกูนแม้มูนาฟิกจะชิงชังอิสลามก็าตามแต่ Allah ดูแลเรางั้นเราไม่หวัน่นใครจะชิงชังใครจะตำหนิใครจะว่าไอ้มงใครจะว่าแหมแต่งตัวไม่ทันสมัยต้องโปต้องเปลยนั่นแหละก็แก้ผ้าแหละคนโปยนี่สร้างเคนแก้ผ้าของเราไม่มีอินดามันค้มรูนไมซิดเหล่าการพนานเราไม่อยู่ นะแต่ว่าเสรีตามอารมณ์ของเขาที่ไม่ใจศรัทธาต่อเราเป็นไงเดี๋ยวก็ฆ่ากันเดี๋ยวลูกก็ฆ่าแม่เดี๋ยวผู้ชายก็ฆ่าผู้หญิงเดี๋ยวหยากันไปแล้วก็วตามถึงฆ่าตายแค่โอ้สารพัด ส, สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมอยากกันไม่แล้วเลิกกันไม่แล้วอัลฮัมดุลิลละกําหนดคู่ครองมันหมดแล้วอลัลลอฮ์กำหนดแบบนี้อัลฮัมดุลิลละ แม่อฆ่ า, าพยาบาทอดีตพยาเงี่ยไปยิงเขาก็มันเป็นอดีตจะไยุ่งอะไรล่ะของเราไม่มีนี่คือสังคมเราแต่พี่น้องดูนะต่อไปเนี่ยกลุ่มชนต่างๆจะเอาความบริสุทธิ์ของอิสลามไปใช้โดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ตัวงั้นจีนก็ย่ำดีพี่น้องมุสลิมมาเยอะอเล็กก็มีบทลงโทษให้รู้ให้เข้าใจงั้น เออเวลามีอำนาจมีความพร้อมทั้งทรัพย์สินและบุตรห ล, า น, ลานก็อย่าไปร่อเหล่มคนอื่นแล้วก็ใช้ระบบที่เอาอให้มาเอือ้อประโยชน์ต่อคนอื่นตามที่เอาอสั่งรวยก็มีระบบสากาัดเอาล็ให้ระบบสกาดมาเพื่อต่อสู้กับระบบดอกเบีย้ยดอกเบี้ยคือการขูดรีดรแต่ระบบสกาดจะเข้ามาเจรจารดูแลพวกคนผู้คนทั้งแปดจําพวก อินเดีมาโซลก็ตัวนฟุกุรอวันมาซาเกินสกัดโซลก็คือสกาดลินฟุกุาากก ร, รกอรให้คนยากจนวันมาซาเกินและคนขับสนงั้นให้ฟุกุรอก่อนให้มาซาเกินเป็นคนต่อมานี่นี่คือระบบเรางั้นถ้าเราฟื้นฟูระบบสากาดอัลฮัมดุลิลละเราสู้กับระบบดอกเบี้ยได้แต่วันนี้เราถูกระบบดอกเบี้ยมันครอบงำก็ต้องส่งดอกเบี้ยกันอะไรกันแต่ของเราไม่มี เทกาลสู้กับดอกเบีย้ยถ้าเทกาลเกิดเมื่อไรดอกเบีย้ยจบถ้าเทกาลไม่เเกิดดอกเบีย้ยงามแล้วก็กดขี่คมเพะคนลำบากมากแล้วก็มุสลิมบางส่วนก็ปล่อยเงินกู้เอาดอกเบีย้ยแพงบางคนร้อยละสิบบางคนร้อยละยี่สิบเดี๋ยวนี้บางที่ดอกเบี้ยร้อยละห้าสิบนี่คืออะไระมีความสุขบนอะไรบนไฟนรกที่เราห้ามแต่ว่าดนยา เรายังไม่ได้ลงโทษแต่ว่าถ้าเขาสังเกตตัวเองที่กินดอกเบี้ยเขาถูกลงโทษด้วยได้โดยใจนะไม่คิดที่จะอิบาดะต่อเราไม่อยากะละมาไม่อยากจะอ่นอานคุระมาอ่านกุรอานนะเอาวัตถุเป็นตัวตั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าหายาหน้เกิดขึ้นก็คือซรอฟูฮุมมาตาอุฮุมเอาวัตถุเป็นตัวกำหนดเกียรติยศแต่สําสหรับมุสลินเอาไรเอาตะ ก, กวาเป็นตัวกำหนดเกียรติยศ ถ้าคิดแบบกาเฟ่เนี่ยเอาวัตถุ ก, กําหนดเกียร์อันนี้บ้านใหญ่ไม่มีความผิดอันนี้บ้านเล็กโอ้โหหน้าหดหูดใจดูถูกนะพอใครบอกก็ช่วยหน่อยบ่แม้่เสือเกิดมาจน <c oughs> อย่างงี้ก็มีใช่ไหมงั้นเนี่ยชาวประคุ ม, มาต้าฮุ้มถ้าเาแบบกาเฟ่ความคิดแบบกาเฟ่มูลรษกิจเนี่ยเขาจะดูตัววัตถุเป็นตัวตังมันผิดห ร, หรือที่เกิดมาจนไม่ได้ผิด แต่เกิดมาเพื่อให้โอกาสแกคนที่มีฐานะต่างหากล่ะทาไม่มีคนจนจะไปช่วยใครแลวเงินมาแค่ดุญยาตายไปก็หมดแล้วเป็นมรดกคนอื่นแล้วใช่ไหมจะสั่งเสียวาสยะไว้หลังตายว่าทำให้งวดให้พ่อให้แมนะ่ก็ได้แค่สนหนึ่งส่วนสามไต้ตนเป็นะได้ทั้งหมดเราจะจะทำอะไรเท่าไรได้แต่วาสยะวาสยไนะได้่ะ หลังจะตายแล้วเนี่ยให้ทานู่นทำนี่ได้แค่เซนต์หนึ่งส่วนสามีสามล้านมีสิทธิใช้ได้สองเดล้านเดียวมีสามแสนมีสิทธิ์ในสินนั้นแค่หนึ่งแสนงั้นเราก็อยู่แบบเราก็คือว่ากูรูวัชระ บ, บูกินดื่มเหมือนปกติแต่เวลาตัวเสดฟูอย่าฟุ่มเฟือยอย่าให้สังคมหลอกนะอย่าให้สังคมหลอกว่าความฟุ่มเฟือยคือเกียรติยศของคนในสังคมไม่ใช่ของเราต้องอะไรประหยัดสมรรถ ไม่มุบสซิดอินอาฮันตุมอาฮันตุมเลี้ยงฟุศิกุมหากพวกเจ้าทำความดีพวกเจ้าก็ทำเพื่อตัวของเจ้าเองและหากพวกเจ้าทำความชั่วก็เพื่อตัวเองดังนั้นสัญญาอีกข้อหนึ่งได้มาถึงพวกเขาได้มาถึงเพื่อพวกเขาก่อความอับอายขายหน้าแก่พวกเจ้า และเข้าไปนำ้ำมัสยิดที่ที่พวกเขาได้เข้าไปแล้วในครั้งแรกและเพื่อทําลายสิ่งที่พวกเขาได้ชัยชนะอย่างหมดสิน้นอัลลอฮ์บอว่วอินอัลซันตุมถ้าผู้เจ้าทําความดีทําความดีแบบไหนละ่ะหนึ่งตออตุลลอห์ว่าตออตุลรอซูลเชื่อฟังอลัองอลลอห์เชื่อฟังรอซูลเนี่ทาความดีถ้าความดีเหล่านั้นถูกกําหนดโดยตัวเราว่าอย่างนี้ว่าดีแต่อลัลลอห์รอซูลไม่ได้บอกว่าดี ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเราอะสามน่ว่าตอนนะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ต้องไปคิดเรื่องคําสั่งอลัลลอฮฺสั่งทาตามสองทำความดีคือไงอิคลาสฟิฮาวาเบอาดายฮาอิคลาสคือตั้งใจเพื่ออลัลลอฮฺและก็ปฏิบัติสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอของวาญิบทิ้งไม่ได้แต่ของสุนัตเราก็เติมเต็ม เช่นละมาตัดยุดธนะละมาะวิติสและละมาสุนัตอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทํานะคือละมาสุนัตเตาบ้าสองโรอักเตาบ้าเพราะเรามีบาปเราน่ะมีบาปคุณเราไม่ได้อดัมขอตอูนุนหลุกล้านอาดัมมีบาบทั้งหมดแล้วว่าคอยราข้อต่ออินอตาวาบูนคนบาปที่ดีที่สุดคือคนที่เตาบต้าตนต่อเหรอมันจึงมีสุนนัขให้ละมาสุนัตเตาบ้านะ ก็เรามาสุนัขสาระอัดเนี่ยสุนัตาบ้าเพื่อเราเมื่อไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้วิเต็ตพวกกลางคืนนะทหารยุดกลางคืนอ่าเรามาสุนัตาบ้าสาระอากาศเพื่อเราอ่านธรรมดาเราคนมีบาปเน่ยแล้วเรามีบาปต้องละมานะต่นี้พวกบระเทอิสรอเอลเนี่ย ท, ที่ที่ไม่เอาอิสลามเนี่ย มันทำอะไรล่ะมันทำเพื่อตัวของมันเองจะ ก, กระทบกระทั่งใครก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของมันกระทบกระทั่งใครก็ช่างมันแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นอัลลอฮฺเราไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนนี้วายินอาซะตุมเขาทำความชั่ว ก็เพื่อตัวเองก็คือไวอินอาะตุ้มทำความชั่วเขาก็จะรับกับไรอ้ากับปตุนอิสะบั้นปลายของการที่ทยอยต่อเลาะอเลาะก็จะลงโทษเขาเราก็เหมือนการเราทำความชั่วเนี่ยอเลาะจะลงโทษแบบไหนไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าอาจจะลงโทษเราให้เราลืมให้ขี้เกียจที่จะทำความดีนั่นเป็นบทลงโทษแล้ว ให้เราลืมท่านท่านนี้ิตาอายุลืมไม่เป็นไดแต่เนี่ยมันลืมเลือน ม, มันไม่ใส่ใจที่จะทำความดีแล้วก็ความดีมามันก็ขี้เกียจเนี่ยอันนี้เนี่ยให้รู้ไว้นะเราจะลื่นไหลสู่วงจรของความชัว่วและไม่อยากคุณอานก็ไม่อยากจะอ่านแต่ฟังเพลงเอานะฟังเพลงเอาแต่คุณอานไม่อยากอน่ะ ทั้งๆที่หนึ่งอักรได้กระสิบความดีอันนี้วัดตัวเองว่าเราอยู่ในสถานะไหนวันนี้เรารู้ตัวเราเองดีที่สุดการพยายามอ่านอัลกุรอานพยายามอ่านอัลกุรอานนบีมุฮัมมัดลลัลไวเะลลัมน่ข้อปฏิบัติตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮิมจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสุลลัมเน่เป็นข้อปฏิบัติที่น่าคิดเพราะนบีอิบรอฮิมน่ จะอ่านจะทำอะไรก็จะมีคำว่าอัลฮัมดุลิลละบิสมิลลาอัลฮัมดุลิลละมีกินอหารบิสมิลลาอิมลาอัลฮัมดุลิลละใสรองเท้าบนะิสมิลลานะใสเสร็จก็อัลฮัมดุลิลละถอดรองเท้าบิสมิลลาถอดเสร็จอัลฮัมดุลิลละจะมีอย่างเนี้ยในแบบปฏิบัติของท่านน บ, บีอิบรอฮีมและแบบปฏิบัติเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อมาถึงแบบปฏิบัติ ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมส่งถึงเราจะปฏิบัติตามงั้นวันนี้ยึดให้มันนะซาเมะนะวะอัตนาได้ยิะะนแล้ววันอบีสอนอะไรวะอะตนาแล้วก็ตออัดปฏิบัติตามชะมากจะน้อยแล้วแต่เราพยายามเกาะติดอิสลัมในทุกเรื่องนะพยายามเกาะติดสลามในทุกเรื่องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้เราได้รับรู้ แต่นี้คนที่ทำความชั่วเนี่ยมันไม่ใช่บาปอย่างเดียวนะจะต้องมีความอับอายขายหน้าที่เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีไม่ได้เป็นต้นแบบที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ขายหน้าและต้นแบบที่ไม่ดีที่เราทำไปเกิดคนอื่นมาสืบทอดเนี่ยไอ้เราก็บาปด้วยไอ้คนทาสืบทอดเราเราก็บาปไว้เราบาปทุกทิศทุกทางมาถึงเราถ้าเราทาแบบไม่ดี งานโมซีนจะอยู่ตรงไหนถ้าคใครทำไม่ถูกต้องบอกเขาว่าเนี่ยที่ถูกต้องเป็นแบบนี้แต่อย่าไปดูถูกแล้วขอดธอษาให้กับเขาเลามาฟักกี้ฮุฟินดีนวะอัลลิฮุตะวินขอให้เขาเข้าใจศาสนาและขอรอดได้ให้กระใจความลึกซึ้งของคำสอนที่อลัลลอฮ์และบสูลบอกนี่คือใจที่เราให้แก่กันและกันนี่คือคำพูดที่เราให้แก่กันและกันนี่คือการดูแลซึ่งกันและกันที่อยู่ใน บริบทของสังคมมุสลิมฟังดูแลอบอุ่นไหมอยู่ในสังคมเราอบอุน่นแม้แต่คนล้มก็อย่าหัวเราะนี่บอกใครเดือดร่มโอโหหัวเราะไม่ใช่ครับหัวเราะอย่าหัวเราะให้กําลังใจเขาเออถ้ดุดล้มโอหหัวเราะโอ้ไม่ใช่นะล้มก็อย่าหัวเราะถ้าวิธีชีวิตมันลม้มมันลม้มเพราะเพราะอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็เข้าไปเกือ้อกูลเท่าที่สามารถเพราะเราอยู่ในะอะไรกุมบิจมะเราอยู่ในสังคมที่เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นเราช่วยได้แค่นี้คนอื่นช่วยได้แค่นี้นะมันก็สามารถที่จะกู้วิกฤตได้แล้วงั้นวันนี้ระวังนะเราอย่าคิดว่าทรัพย์ของเรานะทรัพย์ของเราจริงที่อัลลอฮ์ให้เราแต่ว่าการใช้ต้องในทางของอัลลอฮ์ คนจะพูดออกมาลีมาลีนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันดิสายคนจะพูดอย่างนี้แต่ลอ้อนบีบอกว่ามาลีทรัพย์ของฉันจริงๆคือทรัพย์ที่เรามาอากาันสิ่งที่เรากินไปแล้วนั่นคือของเราถ้ายังไม่กินยังไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงบางที่เราแกงอะไรว่าอย่างนี้นี่โอ้โหอร่อยนี่ของฉันเดี๋ยววันนี้มือมันจะปัดไปโดนถ้วยความเลยมีมีม เสื้อของเราจริงๆเสื้อผ้าจริงๆคือใสจ่จนกระทั่งมันขาดนั่นแหละของเราจริงๆคนเราไม่ถึงขาดแล้วทุกวันนี่เยอะไปหมดเยอะไปหมด เ, เนี่ยดีๆนะคนมีสามีแต่งให้สามีดูจะได้สวยงามแต่ใ น, นอยู่บ้านสบารังอยากก่างกะลังลกแต่ออกนอกสวยเนี่ยอคิดผิดนะถ้าออกก็นอกนะเจ๋วเลยแต่อยู่บ้านนะซกงกเลยอ่ะมันไม่ใช่ไง สามีเห็นก็โหเยเออเมียกูจะตายไปไหนวะเจอหน้าแต่งแบบนี้แทนยาสลามอะไรกุ้มเจอหน้าเมียอินนารินละว่าอินนาอิเลรอยูนนี่วิธีการที่วัดแล้วมันก็ก็ดีด้วยไงแต่เพื่อคนอื่น่หลอกทั้งนั้นแหละพอไม่สวยมันก็หวาสวยพอสวยดีเด่นดีก็หว่าไม่สวยเลยไม่สวยเลยกลัวจะเป็นคู่แข่งเยอะแยะ S 1> <S 1> เยอะยะเอ่อส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงพราะรักสวยรักงามปากจริงแต่ว่ารูปที่ออกมาเป็นปากปลอมนะปากจริงกับสีแบบนี้ๆๆแบบนี้พอออกมานี่สีบบปากปลอมบางคนทายอย่างนี่พอ ก, กินข้าวเสร็จเียแพรบไปติดแดงเหมือนเดิมเอ้ยแค่นี้ก็ดูด้วยเลยนะ อ่างั้นเวลาทําความดีเนี่ยอย่ารักของความดีน่ะยองอูดูอะไรกุมลาอาลาไคดูกุ่มมันก็กลับมาสู่เราไม่เยอมกลับมาสู่คนอื่นผล บ, บุญกลับมาสู่เราแต่การช่วยเหลือไวถึงคนอื่นเขาก็มีความสุขความสบายเราก็ได้บุญจากตรงนั้นอีกงั้นมาตรฐานการกินต่อกย า, ากินเพราะหิวอยากกินเพราะอยากแต่ส่วนที่เหลืออยู่ก็ดูแลสังคม แบ่งกันนะแบ่งกันเพราะคนแย่เนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์ของเขาอ่ะกําลังบอกให้รู้ว่าเขาแย่เขาไม่ต้องพูดนะเขาไม่ต้องบอกแล้วว่าเขาแย่เพราะคนน่ะไม่อยากบอกว่าเขาแย่แต่ภาพที่เป็นไปที่เราเห็นเขาเนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าเขาแย่ที่เราต้องเข้าไปดูแลไม่ต้องเยอะเห็นหลังคอมอย่างเงี้ยไม่มีไม้คํายันเรา ซื้อให้สักอันนึงก็ได้หรือตัดกิ่งปอไม่ก็ถือก็ได้มันก็ไม่ไน่าดูนี่เราดูสังคมแบบนี้แล้วเวลาวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตนะ่ะอลัลลอฮ์ก็ดูแ ล, แลเราอัลลอฮ์ดูแลเราวันนี้โรคระบาดก็ไม่ต้องกลัวถ้าอาลัลลอฮ์กำหนดแต่เราต้องรักษาตัวระวังตัวด้วยอาชารบุรรรกุมอายะฮ์ฮามะฮารมฮาระอยะฮฮามะกุม หวังว่าพระเจ้าของเจ้าจะทรงเมตตากับพวกเจ้านี่คือความหวังเราหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุมาตาลาเราขออุทิศและเรามีความหวังกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้แค่ไหนอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเรารู้ดีว่าคนอย่างเราให้ได้แค่ไหนเรานี่เป็นคนดีแต่ถ้ารวยเร็วเนี่ยอัลลอฮฺรู้ว่าเรารวยเร็วจะเป็นแบบไหนอัลลอฮฺก็ค่อยๆทยอ ย, อ ย, อยให้ คนที่สนิทสนิทกันเพราะรวยหน่อยพูดไม่เป็นแล้วเจอหน้าไม่รู้จักจำไม่ได้ปากเคยให้สลามก็ไม่ให้แล้วเพราะเงินมันได้เต็มปากเนี่ยนะความมั่งคั่งอาจจะทำให้นิสัยเปลี่ยนไปงั้นพวกโมโนอิสเลอินเนี่ยเป็นบทดินสอนใจเราอะไอ้คนเนี่ยทุเรยดต่อรอแ ล, ว, แลวเป็นยังไงเอาล้อทำลาย อ า, ามาญาติรุร่ยริมินอิลลาคอซารคนที่ชอบฉนคนอื่นทำร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นข่มเหงคนอื่นอิลลาคอซารอท้ายสุดก็จะเป็นคนที่พังภาพและคนพินาศเลาจะให้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองให้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทั้นโดนแน่ๆบางที่โดนก่อนตายบางทีโดนใกล้จะตายบางที่โดนหลังตายโดนหมดแหละโดนหมดถ้าท่าอะไรรุ่ยเียนคนอื่นเพื่อได้ กดขีคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นอย่าพูดนะพูดก็คือนาสิฮัตเตือนกันแบบนี้อิสลามนะ่าแบบนี้ไม่ใช่ด้วยถ้อยคำที่ให้เกียดซึ่งกันและกันจะโอ้ยทำงี้ได้ไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนไงอา้าวตกเปินก่อนแล้วไปทำเตือนนี่นี่คือสิ่งทั่เาบอก <c oughs> ตอนนี้อลัลลอ์ก็บอกว่าอาลัลลอ์จะเมตตาพวกเจ้า ถ้าหาพผู้เจ้ากรรมมาก่อกวนอีกเราก็โตกลับและเราได้ให้นรกเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาข่าทวรโยต่อนล้อไม่ดีอยู่อย่างเดียวที่ใจตั้งคือเสมนาวะอัตนะตนะได้ยินแล้วเาลาบอกอะรอัตนะตนะปฏิบัติถ้าว่ายิบก็อย่าขาดถ้าเป็นสุนัขก็ตเติมเต็มปากกริบลุลลอไป นะจิกรสุวรรณลอยทำแล้วลงบัตรสละบาตรอาบีออลองมาสลายละมุฮัมมัดอ่านดวงอากระดายอยู่ในรถออลมายิดนี้มินันนาเยอะแยะมันนหนังสืออยู่เล่มมันเรียกว่าพันซุนนะที่ปฏิบัติในในอรนะในวันหนึ่งกับคืนพันซุนนะเนี่ยเราใช้เวลาส่วนนี้สําหรับสิ่งนี้หรือไม่อก็เราต้องเรียนรู้ไปผมได้ไปเล่มหนึ่งพันซุนนะที่ปฏิบัติในหนึ่งวันแล้วก็บหนึ่งคืนโอ้โหเยี่ยมมาก อินนาฮัตันคุรานยาดีลิลติฮียอักวัมแท้จริงกุรานนี้นี่แหละที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้ที่ส่งผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลตันลำนบีอธิบายแก่อุมมาประชาชาติยุคก่อนหน้านี้จนกระทั่งถึงเราจนกระทั่งถึงวันกิยมามะจะไม่มีคัมภีรใดอีกแล้วนอกจากคำภีรอันกุรานเพราะเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เป็นคัมภีรสุดท้ายที่เราได้รับทุกวันนี้ เรารักกุรอานไหมรักแต่เราทําอะไรกับความรักที่มีอยู่ในอัลกุรอานอ่านหนึ่งอสอนสิ่งความดีและอะไรอีกปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนรู้จากอัลกุรอานวันนี้เอาซื้อพิมพ์อ่านได้แต่อย่าลืมอ่านกุรอานอ่านหนึ่งอสอนสิ่งความดีทําอะไรได้เนื้อสอนสิ่งความดีอลิบลามีสามเอสอนได้เท่าไหร่สามสิบความดีขนาดไหว่าลออะลามอะล้อตอบแทนได้ ริบลามมีนอะริบตัวหนึ่งลามตัวมีมตัวสามสิบความดีนะอย่างงี้ดีกว่าใครว่าอะไรก็อัลฮัมตุลิลละนะมันไม่ได้เสกเราเป็นหินได้เราอัลฮัมตุลิลละได้บุญละแล้วขอดนุอายมันด้วยลมฟักกีฮุฟิดดีนขอให้เขากรใจาสันนาเขาจะได้ไม่เลอะเทอะแบบนี้เอาได้ก็ไปอีกเราก็สบายไม่ต้องกลับบ้านไปเครียดเป็นเราเคียด ทำไมเครียดอะไรมันหาว่ากูเป็นควายเจอแนวเรียกควายเอ้ามันนั่นแหละมันตาไม่ดีแล้วเห็นคนเป็นควายจะไปทุกข์อะไรกุลอาณนะนำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งอัคกวามเที่ยงตรงยิ่งนำสู่อะไรเขาว่าสิ่งที่มีอยู่นะอัลลอฮฺก็คืออะไรมิลลุตุนอิสลามคือแนวทางอิสลามที่อัลลอฮฺบอกให้เราปฏิบัติมีอะไรบ้างตา่อฮะยดต่ออัลลอฮ อีมาตออัลลอฮ์แล้วก็เอาคุณอ่านเป็นวาซีล้เชื่อมต่อความดีระหว่างเรากับอัลลอ์ได้ด้วยคืออ้างคุณอ่านโออัลลอ์ที่ฉันอ่านกุอานซูอลอิคลาตตรงนี้ขอตะวัสดุเดยกับอันคุณอานที่เราอ่านนี้แต่ตะวสุนตออัลลอ์และขอเราได้ประทานอะไรอะไรให้เราเราต้องการที่ฮะลาลเอาคุณอ่านตะวัสุตออัลลอ์อ่าแล้วตะวัสุด คนมูบินเป็นยังไงอัลลอฮฺที่ในยามะลูนซอลิฮประกอบความดีความดีคืออะไรล่ะความดีมีไม่ใช่เราคิดเองนะความดีต้องเป็นความดีที่อัลลอฮฺรอซูลบอกอัลมูวาฟะกองลิมาจาอาบีหินนบีซอลลอสลมที่สอดคล้องกับสิ่งที่มีนำมาบอกนั่นคือความดีคนที่นำอิสลามมาบอกนั่นแหละความดีแต่คนที่จะบอกต้องเอาอิสลามถูกต้องมาบอก เนี่ยเราเนี่ยต้องมัวาฟกสอดคล้องกับสิ่งที่นบีปฏิบัติหนา ม, มาแล้วก็นํามาสอนก็เรียนแบบนบีนบีก็เป็นบุคคลต้นแบบในอิสลามที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกเป็นอิสลามในยุคสุดท้ายจนกระทั่งถึงวันกิยามะสมบูรณ์ที่สุดนะสมบูรณ์ไม่มีอะไรสมบูรณ์เท่าคัมภีร์เล่มนี้แล้วหลังจากลาบิุหมัดไม่มีแล้วนอกจากนูน่นนบีอีซาลงมา อี ม, มาม่าดีลงมานน่นใกล้กิยามันแล้วจะถึงกิยามัแล้วจะลงมาที่ซีเรียไอ้ใ บ, บตุลอัปยัศบ้านสีขาวในซีเดียตรงไหนไม่รู้ว่าร้อนลัมอเมริการ์ไปตั้งชื่อไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวนะเขาเราไอ้ใ บ, บตุลอัปยัศบ้านสีขาวสถานที่สีตรงไหนไม่รู้แต่ในซีเดีย มามาดีลงมาแล้วเกิมีอารามัตกียามาที่ผมเคยอ่านพี่น้องฟังอ่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโรคระบาดจะเกิดขึ้นอย่างเดินดานอารามักียามาแต่เป็นอารามัตสุกรออารามัตเล็กๆมีแล้วนะน บ, บีเอา ม, มาบอกรู้ได้ยังไงถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกใครจะรู้ล่วงหนะน้านบีก็ไม่รู้ล่วงหนะ้าแต่ที่รู้เพราะอัลลอฮ์มีคําสั่งให้น บ, บีบอกสิ่งเหล่านี้ให้กับอุมาได้รับรู้เยอยะแยะเลย แล้วเ่กียามาเท่าไห่อ่านให้ฟังใช่ไหมดาบ ด, ดือดเลโรูกระบะจะค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆ ม, มาแต่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อร้อยพี่น้องเราไม่รู้จะตายเมื่อไหรอ่อิสติฟารต่อเราเยอะๆหากุอาดำที่เราละเมิดขอมาอัพเขานี่สินที่เรามีอยู่ขออาต่อร้อยเราได้มีสินได้ใช้นี่แม้เราจะไม่มีโอกาสจะใช้ได้เดี๋ยวเอารอใช้ให้ในวันกียามาให้ตั้งใจจริงๆ อัลลอฮ์บอกคนอี่มาที่ยาเรุนและซอร์เล่ห์ไปปฏิบัติอามันที่ซอร์แลอามันที่ซอร์และคืออะไรคือตามที่อัลลอฮ์บอกให้ปฏิบัตินบีมาสอนถ้าทําแบบนี้แล้วนะอันนะละหุมอาจรอนกบีรอเขาจะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในวันกิยามากก็คือสวนสวรรค์ตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ ดุนยาเป็นดารุนอามานเป็นโลกแห่งการปฏิบัติอยู่แป๊บเดียวหกสิบเจ็ดสิบปีร้อยปีแค่นี้เองวันอะคิรตัตุดารุนยะซาอะคิร์เป็นโลกแห่งการตอบแทนตรงนูน้นสารพัดจาได้ว่าหนึ่งวันในอาคิร์เท่ากับเจ็ดหมืนปีของโลกดุนยาวันหนึ่งในอาคิระ์เท่ากับเจ็ดหมืนปีในโลกดุนยา แล้วไม่มีวันอะไรอีกแล้วหลังจากวันกิยามะวันที่อรรถตัดสิลลนแล้วเข้านรกเข้าวสวรรค์ไม่มีวันนี้แล้วไม่มีวันนี้แล้วนี่แหละวันนี้ยวันเนี้ยที่เราอยู่งั้นเราเดินทางไปไหนอิไอนนัตตาบูญไปไหนอ่ะวันนี้จะไปไหนกันดูนเลย ไปโลกนู้นแต่ผ่านขั้นตอนการอิมาศรัทธาความเชื่อมันอัลลอฮ์เราต้องเดินผ่านเรื่องของชีวิตเดินผ่านสิ่งที่เป็นความชั่วอย่าไปข้องแวะอย่าไปเกี่ยวข้องเราอยู่กับสิ่งที่ฮะลาลที่อัลลอฮ์บอกนิดเดียวกับบราบรากักะบารักะคือความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวเราอย่าคิดเรามีปริมาณมากเราเป็นความดีบางทีมันเป็นความชั่วถ้าปริมาณมากมากใช้ไม่เป็นกินไม่เป็นกูรู้วัชระบูจงกินจงดืง่มเวลาตุสเดฟูอย่าฟุ่มเฟือย กินเพราะหิวอย่ากินเพราะอยากตรงนี้มันจะมีส่วนเหลือที่จะแบ่งให้กับคนอื่นแต่นี่กลุ่มชนหนึ่งที่จะล้อยกมาเปรียบเทียบก็คืออะไรว่อันนั่ละี่นาลายุมินูบิลาเคโรและแท้จริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้านะนะ ค, คนส่วนมากจะเห็นแล้วกับศรัทธาแต่หลายสิ่งที่เราไม่เห็นนะ่ะ ออลอบอกเราเราก็ต้องศรัทธาตรงนั้นเพราะอลอลไม่โกหกเราออลอบอกเรามีวิญญาณเราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่เราอยู่กับมันวิญญาณคืออะไรภาษาอังกฤษให้คํำน้ยามว่ายิสมุล l t i f u n c t i o n a l substance เป็นจะเป็นโมเลกุลก็ไม่ได้เป็นอะไรนิดๆอ๋อไม่โมเลกุลนะว่าไปนิดๆที่มันยันซ่าบูฟินสกัดที่มันมันอยู่ทั่วร่างกายฟิน์มชั้ในมนุษย์ของเรา ยิสมุลลาตีฟุนยันซาบุฟินยาสัตยอยู่ในร่างกายของเรารู้สึกร้อนรู้สึกหนารู้สึกเจ็บปวดรู้อะไรเนี่ยเาลาให้เรามีวิญญาณแต่วิญญาณกลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่ายิสมุลลาตีฟุนอนุอะไรนะอนุเล็กๆตัวเล็กๆ เ, เราก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่มีไหมมีรู้ตอนไหนรู้ที่เราเคลื่อนไหวได้ ถ้าตายไปแล้วไม่เคลื่อนไหวเราใครจะไปว่าอะไรกันแล้วแต่เขาตายไปแล้วอย่าไปว่าเขาเพราะเราไม่มีโอกาสจะขอมาอับเขาเพราะเขาตายไปแล้วพูดถึงความดีของเขาอย่างเดียวไม่พอใจกับพูดถึงความดีของเขาอย่างเดียวหวานนั่นแลที่ยายุมินูบิ็นอาครีรอนี่เป็นข้อเปรียบเทียร้อาคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ก็ไม่อีมานน่ะคนไม่อีมานเป็นยังไง มนุษย์จะรวมกันทั้งโลกโดยปฏิเสธอัลลอ์ดาอัลลอฮ์ตนออัลล์ไม่เชื่ออัลลอ์อัลล์ก็ยังคงเป็นเจ้าแต่ใครที่เสียหายเราวันนี้นะประท้วงคาสั่งอัลลอ์สั่งให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดหรอกปรตายไปอัลลอ์ไม่เดือดร้อนใครเดือดร้อนคนโทรยต่อร้อนเลยเดือดร้อนอัลไม่เดือดร้อนอัลลอฮ์นนี้ยุนอานินอลมีนอัลลอฮ์ไม่พึ่งโลกแต่อัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งแก่โลกนะอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งแก่โลก ให้มาเพื่ออะไรหวัวอะไรที่เขาละก็ละกุมมาฟินอันที่จะมีอาสร้างทุกสิ่งมาเพื่อประโยชน์สําหรับเราทั้งนั้นเลยแต่ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราได้สูยุธสร้างต้นไม้มาเอาไปรยชนจะต้นไม้เราไม่สูยุทต้นไม้สร้างแม่น้ํามาเอาประโยชน์จากแม่น้ําสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาเอาประโยชน์จากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ได้สูยุต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจันทคา a กาเฟเป็นไงโอ้โหบนบางสารก่าวต้องเอาดําำดำดำอเจ็ดอย่างมารวมกันควรจะเกิดภัยพิบัติ แต่เราถือว่าสุริยคาาจะเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺที่อัลลอฮให้มาเมตตาตรงไหนทำให้เราได้ละมาสุริยคาาและทำให้เราเห็นว่าอำนาจตรงนี้มนุษย์ทำไม่ได้ใครทำได้มั่งอยู่ว่างๆเ อ, อ้มีสุยคาาสักวันไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเร า, เาละมาสุนัปสุริยคาาจันทค่ามาเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บ เราเรามาสุนัขจันทร์จะฆ่าแล้วดวงอาทิตย์มันบงงังดวงจันทร์ดวงจันทร์บังมันบังกันได้ยังไงถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งไม่บัญชากับสิ่งต่างๆเรานั้นเนี่ยเราก็ได้รับประโยชน์แต่ว่าคนซี้ที่มาศรัทธาต่อเราก็ถือว่าโอ้ยอาจจะเป็นลางดีอาจจะเป็นลางร้ายอาจจะโอ้หสารพัดต่เอาสิเอาความคิดของตัวเองมาเป็นตัวตั้งต้องทํายังไงที่จะให้พ้นจากลางร้ายเป็นความไม่ดีไม่งามของเราไหม เวลาแรงมาเนี่ยไม่มีฝนเราทําอะไรคนกาฟเฟ่แห่น่งแมวเอาแมวใส่อะไรกันไม่รู้แห่กันไปแห่กันมาเออแมวแย่ yeah. แมวทำไมพูดได้ไม่จะบอกกู้เหนือ่อยจะตายแห่ไปแห่มาแต่สําหรับเราคื อ, อได้ลรามาขอฝนลรามาขอฝนแล้วก็อะไรเอาคนแก่เอาเด็กเอาสัตว์ออกไปด้วยเวลาเราออกไปกลางทุ่งไปลรามาขอฝนสมัยก่อนอยู่ปะเนาะ จานพาไปละหมาดขอฝนเอาคนบางคนกับเอาควายไปบางคนกับเอาแมวไปบางคนกับชวนไอ้คนที่เป็นควา ย, วายไปอ้าวไปไปไป <laughs> อ่าทำดูแล้วพอเรามาเสร็จดูสิเรารับดูอาเดินมาถึงโรงเรียนฝนตกฝนตกแต่นี่ไอ้คนหายแหงแมวเกิดฝนตกละ่ะนี่แหละอัลลอฮฺกำลังทดสอบว่ามึงจะหลงทางหรือเปล่าแมวทําให้มีฝนตกอ่ะ มันไม่นึกถึงอำนาจของลอ ว, วันนี้เราจึงเห็นว่าคนอีกซีกหนึ่งที่อลัลลอฮ์สร้างมาทรยศต่อลอว์มันเลอะเทอะขนาดไหนเจอต้นไม้ก็ไปขูดกันเจอต้นตะเคียนก็ไปบูชากันเจออะไร <c oughs> โอ้ยสาระพัดสารพัเราดูว่า น, นี่คือความแตกต่างกขาคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อลอวัตถุเป็นตัวตั้งสำหรับความศรัทธาของเขา จะเป็นต้นไม้จะเป็นต้นตะเคียนจะเป็นอะไรต่ออะไรจะตายไปแล้กวก็ทําทบุญอะไรเรียกวิญญาณกลับมาไปเคาะโลงบอกว่าให้มีความสุขไม่ได้แล้วไม่รู้แะไรไม่รับรู้อะไรแล้ ว, ลวนั่นคือความต่างระหว่างเรากับเขาเห็นชัดเลยทุกวันเห็นข่าวาวชัดเลยอาตาเดน่าละคุณอัลดาบันอลีมาเราได้สํารองให้กับพวกเขาเหล่านั้นพวกไหนพวกที่ลายุมีนุไดบิลาอัคริรอที่มาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มนุษย์ทั้งโลกจะเยรวมกันทรยศต่ออัลลอ์อัลลอ์ก็ยังคงเป็นเจ้าใครแย่มนุษย์แต่แย่อัลลอ์ยังคงเป็นเจ้าเราจะได้สํารองสำหรับพวกเขาการลงทุษอันเจ็บปวดคือนรกยาหันนำที่มีไฟลุกโชดช่วงตลอดเวลานี่นี่คือสิ่งสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าคำดุลินแล้ววันนี้เราเป็นบาที่อีหมานต่อเรชิริกนะ ย่าชื่อเดกในเรื่องของอากีดะหลักความเชื่ออยาชือา่อดกอัลลอฮฺเป็นเจ้าองค์เดียวขวดตะกงตะกุดอาซิมองอาซิมัตอย่าไปแขวนอซิมัตอุลามะบางคนว่าเอาเอ า, เอาไปได้แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าเดี๋ยวมันจะติดตรงที่อาซิมัตติดตรงตะ ก, กุดเกิดรถล้มรถคว่ำ ม, มุเตอไซลงมุอตอไซค์คว่ำโอ้โหนี่ตะ ก, กุดไม่มีไอ้นี่นะกูตายไม่มีตะ ก, กุดกูตายแน่เนี่ยมันไปถึงไหนพอวิกฤตเกิดขึ้นใจถึงอัลลอฮฺไหมไม่ถึงแต่ไปถึงวัตถุ ที่ลา ย, ยัดุรัวลา ย, ยัมฟะที่วัตถุเห ล, ลนั้นให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้นั่นอัลลอฮ์องเดียวอย่าไปแขวนตะกุดก่อนๆมะมะเรามีเชือกเอวเหเพราะอะไรก่อนไม่มีผ้าอนามัยก่อนมีผ้าเทียวแล้ะรั้งหน้ารั้งหลังก็ต้องมีเชือกเอวอะ่ะงั้นจะไปรั้งตรงไหนอ่ะรั้งที่สะดือล่ะใช่ก่อนๆเป็นแบบนั้นเนี่ยวันนี้อ่าทดแ ล, ล้วยาเลยนะ อย่าไปเสียดิกร้อในเรื่องต่างๆเล่าให้ฟังอนิดนึงเคยเล่าแล้วแต่ว่ามันประทับใจเคยไปร่วมงานบูบูอาคารหลังหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อลดยาเสร็จติดแถวไครายทางนู่นนะช่างก็มายกเสาเรียบร้อยแล้วไอ้พวกคนที่มาร่วมช่วยยกเสาเป็นกำลังใจอะนะจริงจริงไม่ได้ยกหรอกยกเสาในะช่างเขายกชาวบ้านอย่าไปยุ่งเราไม่รู้น้ําหนั ก, กว่าเป็นยังไงจ้างช่างมาแล้ว เขาวก็ให้ต๊ะครูขอด้อนวอว่าตอนยกเสาให้ครูขอด้อนอหน่อยครูก็ไม่รู้จะขออะไรเพราะอ้อนวอนยกเสาหลุมหลุมมันไม่มีครูขอไงไหมอัลลอฮฺุมห์มุหัมมัดินวะอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮตัอาซิบฮะดันมายิดโูอัลลอฮฺเอ้ยขอเราอย่าลงโทษมายัดนี่เลยอย่าโทษมายัดนี่เลยมายัดคืออะไรเสาก็คงจะคิดว่าเอามาฝังไงนะฝังเสาไปในหลุมเนี่ยมันไม่ใช่ไงแต่ว่า ครูเขาเกรงใจงั้นอิสลามไม่ต้องเกรงใจแต่เราไม่ก้าวเราเราก็ไม่ทําทําตามแบบที่อลัลลอฮ์กระสูงสัง่งนี่คือความรอดของชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้อิสลามอยู่ที่ตัวเราแล้วเรียนรู้แล้วกลุ่มชนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นแบบไหนโลมสลายเป็นแบบไหนแ ล, อละอัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนใหม่มาเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้แล้วคนที่ตัวเดียวต่อรอท้ายสุดอลัลลอฮ์ทำลายจะด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองที่อลัลลอฮ์ไม่เก็บไว้เพราะอาลัลลอฮ์บอกว่า َ م ขว ي มาจากที่รูซอริมินอิลลาคอชาเราคุณที่ทรยศด่าฝืนอัลลอฮฺจะให้พังพินาศ ท, ทั้งหมดเมื่อไรแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองจากพี่น้องไปดูคำว่า سبحانه และก็ลอวะบิฮามดิกะอัชลอดฺอดลิลลาอิลลาอิลลาอันตะอัสตาวฟิร์กาวาตูบุไล